Ako a to ara ha to Sama-sambutasa Namotasa Ako a to Ara ha to Sama-sambutasa kawato savaka sankho si himassa dhamapariyayaka addho sathayassamantehi นี้ท่านทั้งหลายจะได้สดับรับ กระทำกันอยู่เป็นประจำท่านผู้ใดมี ดังที่เกิดมาในชาตินี้เพราะคนปรารถนาและจึงแม้ว่าที่จะเป็นจุดเริ่มต้น ของสิ่งเป็นอย่างยิ่งพวกเราท่านทั้งหลายไม่พึงปรารถนา นอกจากความเกิดเป็นทุกความเกิดเป็นทุกข์ผลของความเกิดได้แก่ ปรารถนาและต้องการก็เป็นทุกข์การได้ประสบพบ ความตายนั่นก็หมายถึงการหมดลมหายใจความ sorti ผลได้หลายอย่างหลายประการคือประโยชน์ในโลกนี้ก็ นี้ก็สําเร็จคนที่ยังเป็นอยู่จากพวกนั่นก็หมายถึงว่า สามารถถึงสําเร็จประโยชน์ได้แก่ทุกอย่างไม่ว่าเราจะยืน ด้วยใจนี่คือคนที่ยังมีชีวิตอยู่ย่อมจะสําเร็จนี่คือคนที่ยัง แก้ความเย็นเสด็จดับความร้อนทั้งหลายทั้งมวลบรรดาที่มีอยู่ในโลกหรือมีสังขาร ในตาหูจมูกลิ้นกายหรือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัส ไม่สามารถที่จะประกอบกิริๆได้เลยทั้งทั้ง ตา 2 แกน 2 ทิศาประโยชน์ทั้งหลายทั้งมวลดังที่กล่าวเพราะว่าสังขาร เพราะฉะนั้นฉะนั้นประโยชน์ทั้งหลายหรือความดีทั้งหลายอันจะเกิดขึ้นอ่า เพื่อจะเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายในที่นี้ดำเนินและต้องการที่ มันครอบครองจิตใจของเรามาเป็นเวลานานให้มันเบาบาง เราอยู่ในทางโลกอยู่ในทางโลกเราก็ขยันหมั่นเร ให้เราสําเร็จวิชานั้นๆได้การเราสําเร็จวิชาแล้วเราก็เป็นผู้มีความขยันหมั่น ในและยิ่งกว่านั้นที่เรายังมีชีวิตอยู่ในทางโลกและยิ่ง ในเรื่องของศีลในเรื่องของธรรมเมื่อเราศึกษา ควบคุมกํากับจิตใจของเราแต่ละเมื่อชีวิตของใครก็ตามถ้าได้ ชีวิตของเราอันประกอบด้วยกายวาจาพยายามกระทําตามและก็คิดตามในหลักของศีล มีศีลมีธรรมเป็นเครื่องประคับประคองและอุปถัมภ์คําสู่อยู่ชีวิตของผู้นั้นก็ แก่ชีวิตของผู้มีศีลมีธรรม ผลที่เกิดมาการทําความดีของคนที่เกิด ที่ครอบครองขันธ์ 5 ท่านเปรียบหนึ่งว่าเป็นก้อนทุกข์นี่แหละซึ่งเป็นภาระอันหนักนี่แหละพวกเราสามารถที่คุณงามความดีบารมีให้แก่ตัวของเราได้ถ้าเรามารู้ว่าเราเป็นคนโง่เราจะกำจัดความโง่เพราะความไม่รู้ของเราด้วย วิชาในทางโลกวิชาในทางธรรมเมื่อเราศึกษาในวิชาทางโลกก็ความไม่รู้ในเรื่องเรื่องความเป็นอยู่ในทางผู้รู้ขึ้นเป็นคนโง่ก็จะเป็นคนขึ้นมาในทางธรรมเรารู้มันก็รู้ขึ้นมาถ้ายิ่ง วิชาความรู้นั้นมาเป็นเครื่องนําวิถีชีวิตมาประคับประคองชีวิตมาคําสู่คุ้ม แล้วบ่เป็นความดีกันอย่างเราทําอยู่ในขณะ ได้นั้นมันไม่ได้สําเร็จมาจากเพียงแค่ความต้องการที่ปรารถนาโดยไม่มีการกระทําๆความดีทั้งหลายดัง สิ่งนั้นๆให้มันเกิดขึ้นเป็นต้นว่าความชั่ว สร้างมันขึ้นมาคือกระทําบําเพ็ญให้มันบ่อยๆหรือ ไม่หลงเปิดเพิดลื่นแล้วเราก็จะเป็น เหมือนกับการที่เกิดมาเป็นมนุษย์กับการที่เกิดมาเป็นมนุษย์เมื่อเราท่านทั้งใดๆก็ แม้จะเป็นคนฉลาดหรือเป็นคนโง่ก็ตามถือ คุณงามความดีอันเพราะฉะนั้นขึ้นจากคําว่าศีลและ จากเหตุตกเหตุการประกอบความดีไว้ ว่ากรรมเป็นของมีจริงว่ากรรมเป็นของของตนว่าผลจริงๆไม่มีเพราะพระองค์ ชำระกิเลสด้วยอํานาจปัญญาบารมีอืมอย่างที่เรียก โดยมีอวิชชาแปลว่าความมืดเป็นเจ้าหรือเป็นผู้มีอำนาจต้น สัตตลูได้โดยลําพังพระองค์ซึ่งไม่เทวดาอินทร์พรหมยมยักษ์วิเศษวิโสตนใดที่จะมาเป็นศาสดาคอยได้ ก็ได้มาจากได้มาจากได้ด้วยพระองค์เองไม่ได้มาจากใครไม่มีใครที่จะนํามามอบให้ คุณโทษประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์นรกสวรรค์นิพพานๆหรือว่า มันก็ขึ้นอยู่กับสติปัญญาความรู้ของเรา ของเราได้สร้างขึ้นหลายได้สร้างขึ้นเพราะได้ประสบประการมาทั้งที่เจตนาและไม่จีรเจตนาญาณชาของหรือไม่ตั้งใจดูก็ได้ถ้าเมื่อมองไปตรง คนรูปสัตว์รูปต้นไม้ภูเขารูปแม่น้ําลําคลองรูปรถราบ้านช่องเรือนชานทุกสิ่งๆมันก็ย่อมจะรู้ตั้งใจจะรู้มันก็รู้ไม่ตั้งใจจะรู้มันก็รู้เพราะมันทําหน้าที่ของการรู้ อย่างนี้เป็นต้นหูของเราก็รับรู้ในเรื่องเสียงบรรดา คนเราก็เห็นไข้ได้ป่วยเราก็เห็นคนแก่เฒ่าเกิดอุปปัตติเหตุตายและถูกศัตรู มันเป็นอย่างไรเป็นอย่างไรคนตายมันต่างกับกับคนเป็นอย่างไร 1 วันตาย 2 วัน 3 วัน 7 วัน 1 เดือน 1 ปีเหล่านี้เป็นต้นเรา มันก็ตกมาเป็นคุณสมบัติคือความรู้ฝังแน่นในจิตในนี่นี่ สิ่งที่เรารู้เห็นกันมาแล้วทั้งนั้นไม่แต่เพราะเราเห็นเหล่านี้แหละเพราะเราเคยเห็นสัญญาฝังจมจําไว้ภายในจิตใจของเราใน แต่ก็ไม่ได้หมายถึงว่ามันจะไม่มีก็ไม่ได้หมายถึงว่ามันจะไม่ๆบางอย่าง 10 ปีอย่างอายุ 70 80 90 ปีถ้าเรา เล่าให้อยู่ในเหตุการณ์อันนั้นแต่เพียงแค่อาศัยได้รับฟังมาโดยละเอียดนาทีดีสัมปชัญญะดีครั้งใดที่ และเลิศถึงมันก็จะเช่นเหมือนกับวันเกิดนี่อันนี้แหละจะ เพราะฉะนั้นมันก็ขึ้นอยู่ที่ตัวของ คือเป็นภาคของความเป็นจริงเช่นอย่างความเกิดเราหรือแมวเหล่านี้เป็นต้นเกิดมาให้ มันก็มีสภาพลักษณะก็มีสภาพลักษณะคล้ายๆกันแหละมันไม่ได้แตกต่างกันตรงไหนเลยคือมัน มันสําเร็จจิตสุ่นเสร็จสิ้นสมปัจจุบันปัจจุบันมันใน วัสดุที่เราระหว่างหินกับสายมาสร้างปูนเป็นที่ยึดเหนียวระหว่างหินกับทรายและ บรรดาสัตว์ทั้งหลายได้แก่เราเหล่าท่านๆเรียกว่ามนุษย์เป็นสังขาร ค่าที่ตนอยู่นั้นอีกต่อไปไม่วาระมันหมดวาระมันหมดการเวลาที่จะอยู่ณในภพภูมินั้นไม่ ในพรหมโลกนั้นไม่ต้องหวนกลับมาเกิดครองทุกข์เมื่อครอบครองทุกข์คือการ ข่มที่ลึกที่สุดคือวีจีมันก็มีเวลาที่จะหมดการเวลาที่จะจมอยู่ อีกต่อไปไม่ใช่อย่างนั้นมันรู้จักหมดเป็นไม่ว่าด้วยตาหูจมูกและ สติปัญญาคือจิตใจของเราได้แก่สัตว์เดรัจฉาน 2 ขา 4 ขามากขาและก็ 5 ขามี มันเปลี่ยนแปลงได้แม้ในคำสอนของ และบุญและบาปอย่างเราเกิดมาเป็นมนุษย์อย่างนี้มันก็มีอายุขัยของ เพราะฉะนั้นท่านจึงแสดงไว้ในเรื่องของพระไตรลักษณ์อนิจจังแปลทุกขังแปลว่าทนอยู่ไม่ได้คําว่า ถึงเราจะสบายอยู่ในขณะนี้เริ่มนั่งเริ่มความปวดเมื่อยมันก็ไม่ ไอ้ความสบายอันนี้แหละมันก็เป็นตัวทุกขัง ยืนสบายอยู่สบายนั่งสบายกระทนอยู่ไม่ได้มันก็ทนอยู่ไม่ได้นั่งสบายก็ทนอยู่ไม่ได้นอนเออ จะเป็นศีล 5 ศีล 8 กรรมบท 10 ศีล 227 ข้อใดข้อหนึ่งมันต่อต่อตาควายคว้าไว้ก็ไม่ทัน นี่เห็นมั้ยให้เราเข้าใจเพราะฉะนั้นคือปรารถนาสมไม่สม ในกายในวาจาจิตใจของเราในความ ใช้มือของเราให้หยิบให้ถือใช้ตาของเราให้ใชใชใช 70 80 ปีบาง ไม่กี่ปีกี่ปีเอาเถอะจะมากจะน้อยแค่ไหน ได้ประกอบมันขึ้นมาด้วยสติปัญญา ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ตั้งแต่วินาทีแรกที่เราปฏิสนธิวิญญาณลง อย่างนี้โลกนี้มันจึงมีการต้นแต่เราก็อาศัยซึ่งความและไม่น่ายินดีมันเป็นธรรมชาติ เป็นสิ่งที่เราไม่พึงปรารถนาและต้องการมันก็มีการวัฒนาในตัว ความไร้ศีลธรรมความฟุ้งซ่านกุฏกิจในจิตใจหุมหลักไม่เป็นสมาธิไม่สงบไม่ มันก็เกิดขึ้นที่ใจของเราทุกคนอย่างนี้เป็นต้นแต่ทาน มันเป็นเป็นมันเป็นทางหนึ่งที่พวกเราทั้งหลายจะพึงให้ความสําคัญ มันถูกใจโลกโลกแต่ว่ามันไม่ถูกและวยชัยให้เราพ้น นี่มันเป็นอย่างนั้นไอ้เรื่องของโลกอ่ามันเป็นอย่างนั้นถ้าว่าเป็นเรื่องของแต่ถ้าว่า ความฟุ้งซ่านจะหมดไปพอเมื่อเราต้องทํามันขึ้นต้องหาวิธีและอุบายที่จะ จนกว่ามันจะหมดอำนาจและ จิตแต่ความสุขพิเศษมันไม่เกิดขึ้นของเราก็ มันๆกิริยาๆต้องให้เสียไปให้เสียไปแม้จะทําความดีอยู่มัน ในการแปลว่าความใคร่ความพอใจความยินดีซึ่งมันเป็นธรรมชาติที่มนุษย์สัตว์ที่มีกิเลสยิน มันมีแต่จะพอกพูนมากยิ่งขึ้นได้มันจะ ตามในขณะนี้และเวลานี้มันเปลี่ยนของพวกเราท่านทั้งวิจิกิจฉา ธรรมทั้ง 5 ประการนี้สิ่งเหล่านี้ก็ได้ชื่อว่าเป็นธรรมเหมือน แต่ถ้าว่ามันเป็นเรื่องของกิเลสมีเป็นธรรมชาติมีอยู่ในจิตใจ มันทำหน้าที่ fitts กันพวกเราทั้งไหนไม่ให้สร้างคุณงามความดีไม่ว่าจะทำความดีเกิดขึ้นจากการให้ธาญไม่ว่าจะสร้างความดีเกิดขึ้นจากการลักษาสิน หsin นห่าสินแป๊สกํามาโบทสิบและสินส Tough 200 ยิanced จนทลอด และจิตใจของเราให้เกิดมารยาทอันสวยสดงดงามคือเป็นผู้มีระเบียบเพราะด้วยอํานาจของ ก็เกิดความสวยสดงดงามเหมือนกับตัวคงหลักมันสวยสดงดงามโดยสมส่วน ตามรูปของกรรมนั้นโดยยิ่งที่มัน เพราะฉะนั้นโบราณก็จึงบอกว่าไก่งามเพราะขนคนงาม ที่เกิดในสังสารวัฏนี้ในภพภูมิของการเป็นมันอ่าที่เรา พรานโบราณบอกว่าไก่งามเพราะขนคนงามเพราะ ลब्धि ฐานะดีแต่ยังไม่ดีแท้ไรโคตรแซ่ตระกูลดีอย่างไรอันนั้นก็ดีไปแต่ยังไม่ดีแท้ ไม่มีธรรมะความอดทนโสรัจจะความเกียมกายเกียมใจนี่ถ้าเรามีขันติโสรัจจะเข้า ใจดวงนี้ก็จะไปบริหารวาจาไปบริหารกายไม่ว่านี่ประกอบไปด้วยขันติเครื่องประดับสก ไม่ขาดตกบกต้องผู้นั้นแหละงามโดยแท้ประเสริฐแท้ ร่างกายก็ไม่มีความอดกั้นในทางกระทบโดยธรรมชาติลมแดดกระทบมันก็หมดนี่ความ ความเป็นยักษ์เป็นผีเป็นเปดมันก็จะปรากฏเพราะมันหมดไป เห็นมั้ยล่ะมันเป็นเปรตหลอกเค้าอ่ะบางทีแต่งตัวสวยสด มันอดกั้นต่อความโลภความโกรธความหลงเผาผ่านหัวใจมันไม่ได้ๆแสดงๆแสดงออก ความเป็นเปรตเป็นผีเข้าไปนี่แหละเพราะฉะนั้นเราเมื่อเรามีธรรมะเข้าไปตกแต่งกาย ที่มนุษย์และสัตว์ต้องการทั้งหลายเราทุกคนก็ต้องการอย่างนั้นเพราะฉะนั้นทานก็ ศีลก็เป็นเครื่องกำจัดความชั่วกิเลสหยับหยาดกิเลสหยับหยาดเพราะมันเกิดขึ้นแล้วมันทำให้ ปัดความโกรธก็ดีให้มันหลุดไปจากจิตใจก็ดีความโกรธ ที่จะเข้าไปสกัดกั้นขัดขวางเอาเถอะถึงแม้ว่าเราจะ ต้องเพราะเราจะต้องใช้บริการต้องต้องการความเรียบร้อยต้องกวาดเพราะเราจะต้องใช้บริการต้องการความ สิ่งใดที่มันกีดขวางในเบื้องต้นเราก็ต้อง กำลอกละกิเลสเล็กๆน้อยๆให้มันหลุดไปจากตัวของเราอย่าเห็นกิเลสเล็กๆน้อยๆด้วยอํานาจมนะทิฏฐิความเห็นผิดเพราะว่าศีลมากศีลน้อยธรรมะน้อยถือ บวดนานบวดน้อยนานบวชน้อยเหล่านี้เพราะฉะนั้นจริงอยู่หรอคนเราจะถือจะดีก็เพราะการถือสมมุติทานศีลศีลธรรมก็คือการสมมุติบัญญัติเพราะ นี่มันทําให้เราน่ะเป็นคนดีขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นโดยประจําเป็น ขึ้นมาสู่วิหารหลังนี้ก็ต้องกราบพระประธานกราบครู เคารพในการเราดีไปต้นเคารพในการต้อนรับปฏิสันถารเหล่านี้เป็น มานะทิฏฐิสำคัญว่าตนเป็นพระเป็นเนนไม่ใช่ญาติโยมสำคัญว่าเราเป็นชีเป็นพราหมณ์นี่เป็นอุบาสกอุบาสิกาไม่ใช่คนธรรมดาสามัญถือนั่นน่ะ องค์นี่ถ้าเราถือเป็นมันมีแต่จะทําให้เรานั่น เขาว่าถูกยังไงเพราะความดีนั้นมันมาเพราะความปรารถนาและต้องการเท่านั้นความชั่วที่มี ไม่ได้เกิดขึ้นเกิดขึ้นทรงอยู่ได้ให้มันเกิดมีขึ้นกราบก็กราบให้มันเป็นให้ทานเพื่อเอาบุญก็ให้มันเป็นเพียงอย่างเดียวเท่านั้นต้องอาศัย อย่างหยับยามีการก้าสัตว์เป็นตนก็รักษาให้มันเป็น รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและธรรมอารมณ์โดยเฉพาะ เป็นเรื่องของนี่พระพุทธเจ้าท่านว่าอย่างนั้นพยาบาทะความอาฆาตปยาบาทธรรมร้ายซึ่งบุคคล นั้นอย่างนี้เป็นจดหัวใจของเราอย่างนี้เป็นต้นนี่น่ะคือกิเลสอย่างกลางกิเลสอย่างกลางนี่เราจะ ต้องหาอุบายวิธีเอ่อกิเลสเหล่านี้ กิเลสอย่างกลางเช่นเราละลึกคืออาศัยสติแปลว่าเครื่องระลึก 20 นาม 12 หรือ สิ่งเป็นงานของสติเครื่องละลึกหลายเหล่านี้นวงเหนียวเอาอะไรเป็นงาน รวมเดียวอารมณ์เข้ารวมออกและพุทโธคู่คู่กันนี่คือหน้าที่สติสัมปชัญญะ ไม่คนหรือว่าลงลืมไปแล้วใจเข้าไปยังได้ดีอยู่หรือหรือว่า เอากรรมฐานคือกายได้แก่ลมหายใจเข้าลมหายใจออก เห็นไหมมั้ยนี่แหละคือกายในกายเมื่อสติหน่วงเหนี่ยวพุทโธนั่นน่ะเป็นนามธรรมเพราะ เมื่อสติของเราตั้งมั่นอยู่อย่างนี้ความ ความสงบระงับของกิเลสอย่างกลางนั้นมัน เมื่อสติของเราเครื่องระลึกมั่นคงพุทโธคือกายคือลมหายใจแค่นั้นเมื่อจิตก็เริ่มปัญญา เรียกว่าวิปัสสนาแปลว่าความรู้แจ้งวิปัสสนาคือความรู้แจ้งสติระลึก ว่าความสุขเกิดขึ้นเกิดขึ้นเพราะ ในมองลงไปมองลบไปในความเป็นอยู่ในปัจจุบันนี่ความเป็นอยู่ในปัจจุบันขณะ เราให้มันคมผลปัญญาของเราให้มันคมเราก็ต้องอาศัยกายของ มันจะว่างจากอะไรว่างจากสมมุติและบัญญัติเป็นคนเป็นสัตว์เป็นหญิงเป็นชายเป็นเราเป็นเขาเนี่ยเมื่อเรามองไป 2 วัน 3 วัน 4 มันก็กระดูกหุ้มหนังหุ้มอยู่มันก็นี่แหละเราถ้าหากว่าเรายืนดูอยู่จนกว่ามันแตกเป็นน้ำเลือดน้ำเมื่อปัญญาของ เมื่อเราสอดส่องมองดูไม่ลดละไม่วอกแวกไม่สักสายไปจากที่ตรงนั้น ในรูปในเสียงในกลิ่นในรสและการเพศเพศอยู่ด้วยอํานาจกิเลสในราคะตัณหาความทะเยอทะยานด้วยอํานาจแห่งความต้องการและปาฏิณหาไม่มีที่สิ้นสุดมันก็ ไม่สงสัยสงสัยเครือแพงว่าสิ่งนี้เมื่อๆเห็นๆณภายในด้วยอํานาจของปัญญามันสามารถเข้าไประงับกิเลสน้อยใหญ่ใน ด้วยธรรมะคําสอนของพระพุทธเจ้าโดยมีความสงบเป็นพื้นฐานนี่แหละอันนี้แหละคือเป็นหลักการที่พวกเราทั้งหลายไม่ ได้ชื่อว่าเราทั้งทางกายก็ไม่มีนะได้ทําสิ่งที่ แหลมคมขึ้นมาคมขึ้นมามันเป็นไปไม่ได้นอกจากจะวางจากสิ่งที่จะพัฒนาจรรโลงชีวิตความเป็นอยู่ของแต่ เพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายที่ได้ ไม่ประมาทในชีวิตว่าจะตายเมื่อใดได้ผ่ากันประกอบไปด้วยความ ในศาสนธรรมและการปฏิบัติ